ใช้เวลาทำสมถะอยู่ยี่สิบสองปีที่หลงพ่อฝึกนะเราก็ได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้วันนี้สงบนะอีกพอรุ่งเช้าไปเรียนหนังสือไปทํางานอะไรมันก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาอีกตกค่ําก็มานั่งสมาธิสงบอีกอีกวันหนึ่งก็ฟุ้งอีกและทุกวันก็วนเวียนอยู่แค่นี้สงบแล้วก็ฟุงฟ้งสัน้นฟุ้งสั้นแล้วก็สงบสงบแล้วก็ฟุ้งสัน้นหลายปีนะชีวิตก็วนเวียนอย่างนีนะ้มันเหมือนเป็นวงจร วงจรอุบาทไปไหนไม่รอดนะวนเวียนอยู่กับกองทุกอยู่อย่างยิ่งจนกระทั่งปีสองห้านะไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็คอยรู้จิตตัวเองเรื่อยๆจิตใจจะขยับขะเยื่นเคลื่อนไหวคอยรู้คอยดูของเราไปเรื่อยๆมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะอย่างรวดเร็วเลยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สงสัยเลย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 รู้ไหมตอบได้แล้วเนี่ยตอบได้ทางทฤษฎีแล้วนะถ้าวันใดเรามีความทุกข์แล้วเรารู้ทันนะเราเห็นวความทุกข์มันอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากนะความทุกข์แยกออกไปอยู่ต่างหากยิ่งเราปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยกระจายตัวออกไปแยกตัวออกไปจิตใจของเรากับขันห้าเนี่ยแยกออกจากกันขันห้าเป็นตัวทุกยังไงขันห้าก็ต้องทุกจะทาให้ขันห้าเป็นสุขเนี่ยเป็นไปไม่ได้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 บรรทุกแล้เห็นเห็นเองเลยนะแล้วก็บางคนก็เอาไปเล่าลือนะหลวงพ่อแทบจะเป็นพระเกจิอาจารย์ได้แล้วตอนนี้บอกมีรูปหลวงพ่อลดว่ำลดหงายไม่ตายอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรคว่ำกันเยอะหรือเกินแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ปฏิหารนะเดแต่พวกเราหัดเจริญสติไว้เวลาฉุกเฉินขึ้นมาเรามีสติสตินั่นแหละรักษาตัวพวกเราไม่ใช่หลวงพ่อไปรักษาให้นะอใครก็รักษาใครไม่ได้หรอกต้องช่วยตัวเอง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 กะว่าจะมีสติตลอดเวลา น, ะนั้นเป็นสมถะหรอกนะเพง่งถ้าเราหัดรู้สึกตัวี่ยเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็เผลอ ER ไปเดี๋ยวก็ไปเพง่งเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นแว บ, บหนึ่งนะเผลอ ER ไปแล้วพอรู้ทันว่าเผลอ ER, ก็รู้สึกตัวได้แว บ, บหนึ่งถัดจากนั้นอาจจะเผลอ ER ใหม่นะอาจจะรู้สึกตัวอีกหรืออาจจะเพ่งก็ได้เราเลือกไม่ได้หรอกนแะล้วค่อยฝึกไปอย่างเงี้ยนะฝึกหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะที่ใจหลงไปคิด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 การไปสู่มรรค น, นิพพานนะเหมือนการขึ้นภูเขาคล้ายๆ ก, การขึ้นภูเขาขึ้นได้รับทิศทางคนที่เดินมาคนละทางก็เห็นสภาวะที่ต่างๆกันมาแต่ทุกๆสภาวะแสดงไตรักเหมือนๆกันหมดเลยงั้นหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะใช่ไหมให้เห็นไจรักณแต่พอเราจะไปเห็นสภาวะจริงๆเนะี่ยแต่ละคนจะไปเห็นด้วยกระบวนการของตัวเองนะมีชั้นเชิงเฉพาะตัวเรียนแบบกันไม่ได้นะห้ามเรียนแบบกัน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 หลักนี้ใช้ได้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนก็ลงมือทําไปเจอปัญหาเจอรายละเอียดติดย่อยอะไรก็ค่อยศึกษากันเป็นรายรายไปวันนี้หลวงพ่อยังมีแรงอยู่นะช่วงนี้พวกเรารีบรีบเรียนนะแต่ไปหลวงพ่อแก่กว่า น, นี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านให้ไม่ไหวหรอกหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดแล้วพอน่าไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เองแหละ <c oughs> ก่อนที่ท่านจะพูดเงี้ยท่านสู้ตายมาม า, มากแล้วสอนม า, มามากแล้วจนท่านหมดแรงและ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 หลุดออไปหลุดออกไปคล้ายๆ ข, ขอนไม้ลอยน้ําโดยธรรมชาตินะมันลอยไปในแม่น้ำลำธานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ติดทางโน้นติดทางนี้นะถ้ามันติดอยู่นานมันก็เน่าเกยจมอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเรารู้ทันว่ามันติดเหมือนเราพายเรือนะเรือหัวเรือไปติดฝั่งนี้เราก็ถอยออกมานิดนึงเข้าร่องน้ําแล้วไปต่อค่อยๆฝึกไปถ้าใจของเรามีสมาทิฏฐินะเราจะโน้มน้อมไปสู่นิพพานโดยอัตโนมัติ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 หรือแม่กําลังโกรธแล้วแน่อยากบ่นละเด็กมันชักรู้มากนะพ่อแม่ก็ปลื้มนะลูกมันเก่งวันหนึ่งนะเด็กมันก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆมันก็บอกพ่อพ่อพ่อหลวงพ่อประโมทเนี่ยบอกสภาวะจริงๆทั้งนั้นเลยนะะมันเห็นอย่างนั้นอ่ะเห็นเห็นซื่อๆสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจริงๆทั้งนั้นนะไม่ได้หลอกเลยสักนิดเดียว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 มีคนเป็นมะเร็งหลายคนหมอบอกจะตายจะตายนะถ้าดูจิตดูใจป่านนี้ยังไม่ตายนี่เยอะเลยแล้วบางทีก็มีพวกมีปัญหาทางจิตใจไปหาหมอหมอโรคจิตนะให้กินยารักษาอย่างงน้นรักษาอย่างนี้ตั้งนานเลยไม่หายนะสุดท้ายหมอให้ยาขนานใหม่เอาซีดีหลพ่อประโมทไปฟังไป <laughs> เออมันกินยาน้อยลงน้อยลงหายได้นะ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 แต่บางประเภทไม่หายนะถ้าประเภทที่เกิดจากร่างกายผิดปกติไม่หายอะ่ะพวกนี้พวกนี้เป็นกรรมแล้วช่วยไม่ได้แล้วแต่ใครญาติญาดบ้าอย่าพามาหาหลวงพ่อนะแก้คนบ้านคนหนึ่งเนี่ยยากกว่าสอนคนดียี่สิบคนอกีกอา้าวมีไหมวันนี้มีใครจะถามเปล่าไม่มีจะได้เลิกน้มัสการค่ะ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 ตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆเลยก็คือใจมันไม่ตั้งมั่นพอจิตใจมันกระจัดกระใจไปรู้สึกไหมมันโปร่งโปงโล่งๆนะมันโล่งๆกว้างๆสบายๆแต่มันไม่ย้อนมาหากายหาใจมันเพลินไปให้คอยรู้ตัวนี้ย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะหลวงพ่อตอบตรงคำถามหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตรงกับอาการเหมือนกับว่าให้เช็คว่าตอนนี้มัน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 นะเข้าใจยังดูออกไม้มอย่าไปกดไว้ให้แข็งแข็งข้างในนะทุกตัวต้องเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่ทุกตัวเคลื่อนที่แล้วเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ถ้าทุกตัวเคลื่อนที่เหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี้ยยังประคองอยู่นะมีคนไปพิวัตรนาะบอกหลวงพ่อมาเทศที่สาราลูชินจืดจืดไม่เหมือนเทศที่วัดดูเดือดกว่าเยอะเลย บอกมาต่างถินหนะ้าดูเดือด น, นะเดี๋ยวรองเท้าลอยมาบางคนมาขอนะบอกขอให้เอาหนักหนักหน่อยใครละ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะจิตขณะนี้เป็นไงอื่นเป็นอย่นยมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามเองค่ะคือหนูเพิ่งมาเริ่มดูจริงๆประมาณเดือนสองเดือนหลังอะคะ่ะแล้วตอนตอนที่รู้สึกว่า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 ทือท่อๆ ร, รู้รู้สึกไหมทือท่อๆไปข่มไวยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็กดเอาไว้นะแล้วก็ฟุ้งซ่านหน่อยๆรู้สึกไหมใจวิ่งยุกยุกยุกยุกยกดอกเปล่าเนี่ยหลงไปอีกแล้วเห็นไหมไหลสงสัยทราบไหมเอออ๋อละเนี่ยหัด ร, รู้สภาวะทาไมหลวงพ่อพาให้ดูอย่างนี้หลวงพ่อพาให้ดูสภาวะนะถ้าเมื่อใดดูสภาวะได้แล้วเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อนั้นเลย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 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมจะเจริญสติด้วยสมถารวิปัสสนานะฮะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําของคุณตอนนี้จิตติดสมถะอยู่คุณดูออกไหมครับผมครับแล้วจะไปเจริญด้วยสมถะได้ไงต้องปล่อยมันนะปล่อยเออปล่อยมันนะคลายมันออกถ้าการคลายออกทีแรกกิเลสจะเยอะเลยครับใจจะฟุ้งซ่านอยากตกใจนะคือศีลห้าไว้ครับแล้วถือศีลห้าไว้แล้วปล่อยให้มันทํางานตามดูมันเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย ตอนกลางคืนผมมีอาการที่ว่านอนแล้วประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโงเนี่ยนะฮะและ้วกลางคืนก็จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา<ม>ก็เหมือนกับว่าเราพักผ่อนพอเราฮ ะ, ะอันนี้มันมันผิดปกติจากปกติห น, น้ากปกติปกตินอนสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละอันนี้เวลาที่มันเหลือลนะฮะจากตีสามถึงตีห้าหกโมงเนี่ยครับผมมันจะไม่กวนคนอื่นนะก็ลุกขึ้นมาภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ได้นะฮะ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 ถ้าอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติะแค่นั้นอ่ะปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ทันกดแต่ถ้าอยากปฏิบัติระหว่างฟอร์มนะมีเวลามีดีเลย์ไทม์วางฟอร์มนิดหนึ่งแล้วกดแล้วคราวนี้ยยกตัวอย่างนะอย่างหลวงพ่อเคยเรียกให้คนเดินจงกรมให้ดูอยู่ที่วัดมีคนชอบมาถามเดินจงกรมจะทําไงบางมาม า, ม า, มาเดินเลยมาเดินโชว์หน้าสาลานี่แหละเหมืนเดินงดงดล ง, ด ง, ดงดออมานะพอมาถึงทางที่จะเดิน <laughs>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 แต่ทําเพื่ออะไรเพื่อพักผ่อนครันะพอจิตใจมีเรียวมีแรงมีความชุ่มชื่นเบิกบานแนละ้วไม่ขี้เกียจขี้คล้านมาค่อยรู้กายมาค่อยรู้ใจไว้ส่วนใหญ่ไปทําสมาธินะอย่างเราทํางานคิดหนักทั้งวันตกค่ำไปทําสมาธิเดี๋ยวก็หลับแนละ้วมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่สู้ไปเดินดีกว่าครับขอบคุณครับผมสมาธทิ้งไม่ได้นะสมาธิถึงวันหนึ่งก็ต้องทำแต่บางคนหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งทําสมาธิเพราะว่าติดสมถะ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 ต้องเดินปัญญานะถึงจะใช้ได้ก็เลยสงสัยว่าทําไมปีที่แล้วถึงกับไม่ค่อยมีเวลาปฏิบตัติแต่ก็ฟังซีดีอะไรไปนนเรื่อยๆกับมีได้ปฏิบัติจริงๆ ล, ละเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตนะหรือมีปัญหาอะไรมากๆเนี่ยเราคอยดูเพราะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองนะั่นแหละเราปฏิบัติมากนะเพราะว่าปัญหาน้อยลงใช่ไหมชักปล่อยปล่าละเลยทําเ ล, เล่นเล็กน้อยๆทําเล่นๆไปทําเพลินเพลิเผลอๆไป ใจก็สงบใจก็นิ่งใจสบายโล่งๆโปร่งๆเพราคุณตอนนี้ไปติดใจที่โล่งๆโปร่งๆขึ้นมาความไปกระทบอะไรค่ะนี่มันเหมือนดินระเบิดเลยไม่โดนไฟแล้ววิธีที่จะแก้ไม่ให้ติดความโล่งนี่ทํำยังไงให้รู้ทันว่าใจมันน้อมไปหาความสบายแล้วรู้สึกไหมมันน้อมไปหาความโล่งๆว่างๆให้รู้ทันมัน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 เป็นภาระที่มากเกินก็คือในช่วงแรกอาจจะบริกรรมเพื่อให้จิตมีสมาธิแล้วพอหลังจากนั้นนัแหละบริกรรมเป็นสมถะได้นบริกรรมแล้วก็ไปรู้สภาวะนะค่ะกลาวขอบพระคุณกร่าวนามสการของหลวงพ่อกล่าวนามสการค่ะขณะที่ฟังเทศเมื่อตะกีนะคะข้างในมีความรู้สึกสบายความรู้ก็ไปรู้ว่าสบายแต่ขณะที่ฟังท่านตอบปัญหานะคะ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 แต่นต้องรู้ทันมันนะไม่งั้นการภาวนาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเลยยิ่งภาวนากูยิ่งเก่งแทนที่จะไม่มีกูค่ะไปดูเอานะพอละถามพอละถ้าในอีกนือค่ะคือความรู้นะเกิดขึ้นปัจจุบันขนาดนั้นแล้วก็ดับลงปัจจุบันขนาดนั้นทิงไปให้หมดไม่เอาของคุณยังไม่ยอมทิ้งนะยังอะไรอาวรมันขอาปัจจุบันต้องทิ้งนะไม่งั้นของคุณจะไปติดในตัวความรู้แล้วก็อยากพูดอยากพูดธรรมะอยากเผยแพร่อะไรอย่างนี้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 ขึ้ไม่ เ, เปนเ็นไร น, นะที่ภาวนาช่วงเนี้ดีกว่าแต่ก่อนล้วใหญ่มันค่อยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าไปประคองก็แล้วกันถ้าประคองแล้วมันจะนิ่งเนี่ยตอนนี้ไปประคองให้นิ่งล้วต้องหลุดออกมาจากตรงนี้รู้สึกไหมทื่อๆไปหมดแล้วเลือดค่ะนะเคควัดสองที่เนะนี่ยไม่เขเกเลยไม่หลุดออกมาไม <laughs> <laughs> ่เคเกนี้ไม่หลุด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 ครับผมนะใจคุณมันเปลี่ยนแล้วนะมันโล่งว่างขึ้นมามันใช้ได้แล้วครับผมของคุณรู้กายไปด้วยนะครับอย่าทิ้งกายคร<ม>ัอบ อ, อาจารย์หมดแล้วนีับน้ำมันสกัรอาจารย์อยากจะทราบว่าวิธีการเจริญสติของผมปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วหรือ ย, อยังและควรปรับปรุงยัไระองค์พอจิตมันมีสมาธิแล้วนะให้คอยรู้ลงในกายบ่อยๆนะจิตมันมีสมาธิเยอะเมื่อมีสมาธิแล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก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 ที่ไปคิดดูกายไปนะเหมาะกับจริตคุณครับขอบคุณมากเห็นไหมใจดีนะอยากดูอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับจริตทํายากฝึกกรรมาฐานต้องให้ตรงกับจริตของเราของคุณทําสมถะด้วยนะที่ทําสมถะทําอยู่เดิมนั้นมันเป็นสมถะแล้วแล้วคุณคอยรู้ร่างกายเนี่ยเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วจิตใจรู้สึกไหม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 อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดใร่บไหมเขาก็ไม่ตาหลวงพออ่อช่วยนำหนูดูสภาวาจิตสักสองสามนาทีเอาสองสามนาทีเฉยๆสามวินาทีค่ะ<า>เพื่อเป็นการบ้า น, นะะตอนนี้หลงอยู่หลงไปคิดแล้วมารอฟังแล้วรู้สึกไหมไม่ต้องแล้วนะไปดูเอาเองพอจะดูได้แล้วได้นะคะกลับขอบพระคุณค่ะ กับนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะตอนนี้ใจหนูผิดปกติแล้วก็กายก็ผิดปกติ อ, อยากอยากขอส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าหนูมีหนูปฏิบัติแล้วพอใช้ได้แล้วน ะ, ะเรามีอะไรตอ้องแก้เรารู้รของเราไปอย่างนั้นแหละหนูหนูมีสองข้อที่อยากถามหลวงพ่อค่ะตอนนั้นหนูชอบเดินสวดมนชอบอะไรนะชอบเดินสวดมน<อ>ค่ะแต่ว่าพอเดินเสร็จหนูก็เดินไปด้วยสวดมนไปด้วยปากก็สวดมน สมองก็คิดอแล้วสักพักหนึ่งนี้มันมีูความรู้สึกรู้ตัวขึ้นมา อ, อแล้วหนูก็ตกใจมากเอ้ยทำไมเราปากก็พูดขาก็เดินสมองอยังคิดอีกเออนั่นแหละมันทําด้วยไขยสันหลังมันมั น, น, นเห็นไหมมันทํางานของมันเองใช่มันหลายอย่างมาก อ, อ่มันทําของมันเองเรามีหน้าที่แค่รู้ไปด้วยรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราเลยค่ะแล้วเห็นรู้ดูออกขึ้นยังว่าที่ทําอยู่นั้นหลงตลอดเลย ใช่เห็นไหมขนาดที่เดินจงกรมสวดมนต์อยู่นะั้นยังหลงเลยเห็นไหมใช่พอเราเกิดรู้ทันนะัมันตื่นขึ้นมาตกใจเลยว่าจริงจริงหลงอยู่ตลอดเลยเพราะงั้นในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกอาศัยได้ฟังธรรมนะถึงได้ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถรู้กายตามความเป็นจริงนะพอรู้จริงแล้วก็จะเริ่มเบือ่อเบื่อแล้วก็คลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มีความสุข <c oughs> ออมีอีกข้อหนึ่งค่ะคือหนูจะรู้สึกตัวบ่อยมากตอนที่หนูเมอาคือพอเหมาทีไรแ ป, ป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอาดีอย่างตอนที่ร้องแ ป, ป๊บหนึ่งก็หลงไปรู้สึกไหม <c oughs> อินเนี่ยมันค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันความเหมอมันไม่ได้ขาดไปเลยทีเดียวมันก็ยังชิ่งชิ่งอยู่นิดนึงอะคะ่ะ ม, มันไม่หายหรอกมันต้องหลงไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เราไม่ใช่พระรหารยังไงก็ต้องหลงข <c oughs> อบคุณค่ะเชิญเชิญยม พ อ, อนับมาตการหลวงพอ่อกันเน้นเคยปฏิบัติของอาจารย์โกอินคามานะคะแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นของอาจารย์ก็เลยสนใจมาก็ฟังซีดีมาแต่ยังเริ่มต้นไม่ก็จะถูกกัก็<ค> อ, อยากฝึกอย่างท่านโกอินคาก็ฝึกต่อไปได้ไม่ได้ขัดอะไรกันนะ จริงๆแล้วกรรมาฐา น, นไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันใครเคยฝึกอะไรนะที่เป็นความรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในี่ใช้ได้อยของท่านโปลเอนก้าก็ทําความสงบเข้ามานะไหมแล้วมารู้เวทนาเราก็ทําต่อไปแต่เราเพิ่มขึ้นมานิหนึ่งเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเน mm. ี่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม mm. ยมไม่ต้องไม่ต้องฝึกดูจิตก็ได้นะ mm. ฝึกดูกายดูเวทนาก็ได้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 ถ้าเราเราทำแบบอาจารย์นี่เขาทําเช้าเย็นและระหว่างวันเราควรจะทำอย่างไงระหว่างวันเราก็ดูไปเอย่าไปเว้นวักนะถ้าเราจะดู <c oughs> เวทนาเวทนามีทั้งวันนี่ไม่ใช่มีเฉพาะตอนนั่งเม้่ตอนเรากวาดบ้านถู บ, บ้านเวทนาก็มีเนี่ยตอนเราซักผ้าเวทนาก็มีการปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลดีถ้าเราไม่เว้นวักนะถ้าเราบอกว่าเช้าปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเลิกเลยแล้วเย็นไปปฏิบัติอีกชั่วโมงหนึ่ง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 จะโกรธจะงวนห ง, งิดก็ไม่ด่าใครแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าเมื่อดูเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนกับว่าจิตนี่ไม่เบิกบานตเต็มที่เหมือนกับว่าจิตมันดิน้นเหมือนกับว่ามีอะไรครอบจิตยอยู่นะคะเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องนะตอนนี้มันนุม่นมๆไปไหน <c oughs> มันโดนกิเลสสลักนมันนุ่มอยู่รู้อย่างนี้ถูกรู้ไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะใจถึงๆนะไม่ดีก็ได้ใจถึงๆไว้เมื่อเมื่อก่อนจิตติดสงบ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 คอยรู้ตัวเอง อ, งอย่างตอนนี้ใจหนีไปแล้วทราบไหมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไหมตรงรท้ที่รู้ว่าใจหนีไปนั้นมันเบิกบานขึ้นมาแบบนึงนั่นใจมันตื่นขึ้นมามันรู้ตื่นตอนนี้ใจมันนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะหนีิิจิตรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะที่รู้อยู่ใช้ได้แล้ว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 ธาตุดินรู้ด้วยกายนะธาตุน้ำรู้ด้วยใจนะธาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยกายนะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยถูสบู่อยู่ขัดตัวอยู่เนี่ยรารู้สึกถึงความเป็นท่อนไม้เหมือนเป็นท่อนๆนะเป็นก้อนดินเป็นก้อนอะไรแข็งๆบางท่อนแข็งบางส่วนนิ่มหน่อยนะนี่คือธาตุดินรู้ด้วยกายนะเพราะฉะนั้นเราเรียนธาตุกรรมฐานเราต้องรู้เลยว่าธาตุชนิดไหนรู้ด้วยอะไรนธาตุไม่ได้รู้ด้วยการคิดนะ อย่างเราดูว่านี่เป็นก้อนธาตุเป็นก้อนดิน <Okay. S 2> อันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานค่ะพอดีฝึกมาเมื่อไวๆนี่เองค่ะตอนวันแม่เนี่ยห้าวันก็เลยได้ติดมานับไปเลยค่ะบอกว่ารู้สึกจะเป็นการคิดวันนี้ก็เลยขออธิษฐานหลวงพ่อบอกว่าขอให้ลูกได้ถามเหอะเมื่อกี้ก็หมดคิวไปแล้วเจ้าค่ะพอดีก็มีบุญได้ถามแล้วเออจ้าค่ ะ, ะอ่ะมีอีกขอบพระคุณนะธรรมาสการค่ะหลวงพ่อ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 ผมก็ปฏิบัติดูใจอยู่ครับลุงพ่อเวลารู้สึกว่าจิตใจมันปฏิบัติอยู่ในธรรมแล้วก็แม้แต่ตอนนั่งสมาธิจิตมันก็สงบอยู่ตอนออกจากสมาธิมันก็ยังรู้ตัวอยู่<อ>แต่ก็อยากจะถามลุงพ่อว่าผมต้องทำอะไรปรับยังไงให้มันมากหรือน้อยขอบคุณขณะ น, นี้คุณดู อ, อกไหมจิตมันมีโมหานิดนึงมันมัวรู้สึกไหมครับ มัวรั้วมัวหมายถึงว่าตอนละนั่งสมาธินั่งพักผ่อนไปก็ได้นะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทันสภาวะที่กาลังเกิดขึ้นเลยอย่างปัจจุบันเนี่ยใจมันมัวนิดหน่อยเรารู้มันฟุ้งซ่านเรารู้อะไรเงี้ยครับผมใช้ได้นะตึกทใจอย่าไปประครองให้นิ่งนะติดนิ่งมากไปหน่อยนมรดกของพ่อค่ะหนูนั่งภาวนารู้กายรู้ใจแล้วก็ พอลุกายรู้ใจไปสักพักจิตมันก็มันวูบลงอืมือนมันมันรวมอะค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็ขึ้นมารู้รู้กายรู้ใจเผลอไปคิดแล้วก็เดี๋ยวมันก็วูบอีกอะฮะออันนี้มันมันเป็นอะไรลนะคะหนูก็คิดว่าถ้าจิตรวมมาต้องรวมนานๆแต่ว่ามันรวมไปแป๊บหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นไม่ไม่จำเป็นต้องรวมนานนะพวกติดสมถะเนี่ย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 กรับในวัการหลวงพ่อจ้าค่ะออพอดีมีสภาวะอันหนึ่งเหมือนกับว่าถูกสั่งหรือถูกบังคับจากจิตนะคะคือขอขอนุญาตเล่านิดนึงนะค่ะเมื่อวานสื่อเ น, นี่ยค่ะกำลังหลงอยู่แล้วก็ออกมาทานข้าวพอดีที่ร้านเนี่ย น, นะคะเขาเขาเล่นดนตรีเขาตีกลองปึ้งตกใจรัวๆโๆๆๆมโหกรดมากแล้วประเดี๋ยวพนักงานก็มาเต้นให้ดู รู้สึกสงสารเขาอะนะคะว่าเขาอุตส่าห์มาเต้นให้ดูก็พยายามจะศบตาเขาแล้วก็ยิ้มให้พอเสร็จแล้วออกมาแต่ตรงนั้นรู้สึกแหมงแหมงรู้สึกรู้สึกตึงหิตตึงหิว่าเอะอะไรเนี้ยค่ะพอออกมาปุ๊บเจอคนหูหนวกเขียนบอกว่าช่วยซื้อเข้าหูหนวกนะคะก็ก้มลงไปซื้อขนมเขาค่ะก็รู้สึกแหม่งแหมงแล้วพอเดินไปอีกนิดหนึ่งเห็นขอทาน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 มอบต่อให้คณะกรรมการศาลาลงชินนะครับเพื่อ น, นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานที่แห่งนี้สืบไปนะครับขอให้ญาติโยมทุกท่านร่วมกันอนุมโมทนานในกุศลได้ร่วมกันที่ได้ร่วมกันทำกับหลวงพ่อในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนการถวายทานนะครับขอให้ทุกท่านร่วมกันถวายผมเป็นตัวแทนกล่าวคนเดียวเลยนะครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจั น, ทนโทพณารโสยถามณนิชโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรคโควินาสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาฒนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ไปทํานะทํานะอย่าเว้นวักนะหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูนหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยไม่เคยเว้นเลยนะไม่ต้องให้อาจารย์จำจี้จำชัยนะ